ขอาการหลวงพ่อทองสุขพระอาจารย์ยยกิพระอาจารย์ชัดชัยแล้วก็เพื่อนสัตธรรมีทุกท่านเจอในธรรมไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนนะก็พวกเราก็ฟังธรรมกันนะฟังธรรมคืออะไรฟังธรรมก็คือฟังเรื่องกายกับเรื่องใจของเราเนี่แหละนะไม่ใช่เรื่องอื่นไกลไม่ใช่เป็นเรื่องของคำพูด เรื่องของผู้พูดแต่เป็นเรื่องของคนฟังนั่นแหละถึงจะเป็นธรรมะที่มาอยู่ในกายในใจของตัวเองนั่นแหละคนฟังฟังธรรมเช่นอะไรใครควรทําที่อยู่ในกายในใจตัวเองเช่นอะไรก็จะเกิดความเข้าใจธรรมะที่มันสอนที่มันบอกอยู่ในกายได้ใจของเรานั่นแหละตอนนี้นคือการฟังธรรม คำพูดก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ธรรมะที่แท้จริงคือกายและใจของเราเนี่แหละที่แสดงความจริงให้เห็นตลอดเวลาแม้จะมีผู้พูดหรือไม่มีผู้พูดแต่ธรรมะก็แสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความสามารถในการเห็นนะกลับมาเห็นตัวเองเห็นตัวเห็นตนที่แท้จริงมันมีหรือเปล่า กลับมาดูตัวนี้แหละมาดูกายดูใจที่แท้จริงมันเป็นเช่นไรถ้าเรากลับมาเห็นความจริงตรงนี้ได้เราก็จะเกิดความเข้าใจธรรมะที่กายที่ใจที่มันสอนนี่แหละธรรมะที่กายที่ใจก็สอนเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะสอนเรื่องของใจรักทั้งนั้นการดูกายเคลื่อนไหวจะทําอะไรก็แล้วแต่ ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูเรียบทสยืนเดินนั่งนอนดูเรียบทย่อยคูเหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตาอ้าปากเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนุ่งสบงทวงจีบอนอะไรก็แล้วแต่ก็ดูกายที่มันเปลี่ยนแปลงดูกายที่มันเป็นทุกข์ดูกายที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับไม่ได้ เป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครก็ดูมันลงไปตรงนี้แหละเห็นความไม่เที่ยงมันเป็นแบบนี้เนาะนั่งไปก็เกิดทุกข์เป็นแบบนี้เนาะบังคับไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะก็ดูดูตรงนี้ไมไ่ให้ดูเพื่อจะยึดว่ากายนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราดูไมไ่เพื่อจะยึดว่าเราจะบังคับจะสั่งให้มันสุขตลอดเวลาให้มันสบายตลอดเวลา หรือว่าบางาังคับให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการทุกครั้งเสมอไปที่จริงแม้เราจะมีความต้องการอยากให้มันสุขแม้มีความต้องการอ ย, matters, อยากจะให้เป็นอย่างที่ใจต้องการแม้อยากให้มันอยู่นานๆแต่มันก็แสดงท่าแท้ที่แท้จริงว่ามันอยู่ไม่ได้มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเลยนะถ้าเมื่อไรที่เราคาดหวังเราก็จะทุกข์ใจเองแต่ถ้าเมื่อเมื่อไรที่เรา ไม่หวังนะไม่หวังกับมันแค่ดูมันเป็นผู้ดูกายที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ดูกายที่มันทุกข์เป็นผู้ดูกายที่มันบังคับไม่ได้เมื่อนั้นนะจิตใจมันก็เรียกว่าสงบและงับเป็นกลางกับทุกสภาวะสภาวะของกายบางทีก็สุขก็รู้ว่ามันสุขบางทีก็ทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์ บางทีมันเคลื่อนไหวก็แค่รู้ว่ามันเคลื่อนไหวบางทีมันก็หยุดนิ่งก็รู้มันหยุดนิ่งก็ดูไปแบบนี้ไม่มีอะไรค่าเท่ากันจะสุขก็ดีจะทุกก็ดีจะเคลื่อนก็ดีจะนิ่งก็ดีก็ค่าเท่ากันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรดูกายก็ให้ดูไปเช่นนี้ดูจิตใจก็ไม่ต่างกันจิตใจบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกบางครั้งก็เฉย บางครั้งก็ปกติบางครั้งก็ฟุ้งซ่านบางครั้งก็มีความโกรธมีความโลภมีความหลงมีอะไรซาพัพนะหรือไม่มีอะไรเลยก็ดูไปแบบนั้นแหละมันก็เหมือนมันก็แค่แสดงให้เห็นว่าอ้อเนี่ยความจริงมันเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนไปเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรมากระทบมันก็กระเทือนถ้ายังมีกิเลสยังมีตัณหายังมีอวิชชาอยู่ มันก็ต้องกระเทือนมันก็ต้องวันไหวไปตาเห็นรูปนะก็วันไหวไปกับรูปหูได้ยินเสียงก็วันไหวไปกับเสียงจมูกได้กลิ่นก็วันไหวไปกับกลิ่นลิ้นรับรสก็วันไหวไปกับรสชาติอร่อยไม่อร่อยคายสัมผัสกับยุงมันเจ็บรู้สึกรำคาญมันอากาศมันดีอุ่นๆสบายก็รู้สึกชอบใจ ก็รู้ทันทั้งกายแล้วก็รู้ทันถึงใจของเราได้อ๋อมันสัมพันธ์กันเช่นนี้เนาะน่ะอายตนะภายนอกอายตนะภายในกายแล้วก็ใจมันสัมพันธ์เช่นนี้เองแต่ความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นไปเพียงเพื่อเป็นไปเพื่อความทุกข์แต่สัมพันธ์ไปเป็นไปเพื่อความรู้ว่าอ๋อวางใจเช่นไรถึงเกิดทุกข์วางใจเช่นไรถึงจะไม่ทุกข์ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปยึดอ้อว่ากายว่าใจนี้เป็นของเราเมื่อนั้นมันทุกข์แน่นอนแม้ตอนนี้อาจจะสุขแต่ถ้าไปยึดไว้ทับรองความสุขก็ต้องเปลี่ยนเป็นความทุกข์ให้เห็นแน่นอนยึดไม่ได้บังคับไม่ได้เมื่อใดที่เราไปยึดว่ากายว่าใจนี้เป็นของเราเมื่อนั้นแหละนํามาซึ่งความทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเห็นว่าอ้อกายก็เป็นของเขาเช่นนั้นใจก็เป็นของเขาเช่นนั้นเอง ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเราหรอกก็ดูอ๋อเป็นแบบนั้นเองเนาะเป็นแบบนั้นก็ดูมันไปใจก็ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของเราสักแต่ว่ากายมันเป็นสักแต่ว่าใจมันเป็นไม่ใช่เราเป็นนะเป็นเพียงผู้เห็นอาการที่เกิดขึ้นในกายแล้วก็ในใจนี้กายและใจก็คือธาตุสี่ ขันหมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองนะเมื่อไรที่เราหลงก็ไปยึดว่าเป็นของเราเมื่อไรที่รู้ก็ดื่มความเป็นตัวเราที่จริงความเป็นตัวเรามันมาทีหลังแต่ความที่ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่มันไม่ทุกข์อยู่แล้วแต่เราไปทุกข์เราไปยึดก็เพราะอาวิชชาความไม่รู้น่นแหละ ที่สร้างการยึดมั่นถือมั่นให้เกิดขึ้นก็เลยกล า, ายเป็นความทุกข์แนละดูลงไปแบบนี้เนาะหลายคนก็พอเข้าใจในเชิงความรู้จากการฟังจากการอ่านจากการคิดได้ก็เหลือแต่ต้องภาคเพียนปฏิบัติเพราะว่าการจะปฏิบัติให้เกิดผลไม่มีใครให้กันและกันได้แม้จะปรารถนาดีแม้จะเมตตาอยากจะช่วยเหลือกันขนาดไหน ก็ไม่สามารถให้กันได้นะให้กันไม่ได้ฉะนั้นพวกเราเลต้องเรียกว่าภาคเพียนในการฝึกหัดตัวเองให้มากที่สุดนะเพียนตั้งแต่ตอนนี้แหละนะตั้งแต่ตอนที่ฟังลุกออกไปเข้าที่ไหนก็มีความรูกตัวเข้าไปเรื่อยๆนี่คือความเพียนเพียนในการรู้ว่ากายกําลังทําอะไรเพียนในการรู้ว่าใจเป็นอย่างไรเพียนในการ ละกิเลสออกจากจิตใจะละตัณหาอุปทานออกไปให้ได้เพียรในการสร้างสติสมาธิปัญญาสร้างศีลให้เกิดขึ้นในกายในใจนี้ให้ได้อันนี้คือความเพียรความเพียรไม่ใช่เพียงแค่ขยันเดินจงกรมขยันสร้างจังหวะขยันนั่งสมาธอิอันนั้นคือรูปแบบภายนอกแต่ความเพียรที่แท้จริงคือสภาวะในจิตใจ เตะจมกลมอยู่รู้ไหมว่ากาลังเดินนั่งยกมืออยู่รู้ไหมว่ากาลังนั่งกาลังยกมือใจคิดนึกปรุงแต่งรู้ไหมว่าใจคิดนึกปรุงแต่งไป น, น, นี่คือความเพียรจะในรูปแบบก็ดีจะนอกรูปแบบก็ดีถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมออันนั่นแหละคือผู้ที่ประกอบความเพียรอยู่เสมอนะจะทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวแบบนี้ไว้ตลอดเวลาอ น, นั่นแหละ เมื่อเราเพียรถูกทางนะปัญญาหรือว่าที่จริงเพียรถูกทางสติมันก็จะมากขึ้นสติที่ตอนแรกมันเป็นสติที่เป็นสติที่เล็กๆน้อยๆเกิดบ้างดับบ้างมีบ้างหายบ้างต่อไปมันก็จะกลายเป็นสติที่เกิดบ่อยๆเกิดมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมหาสติคือสติที่มีความเป็น เป็นใหญ่นะเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่ไหนก็เป็นใหญ่ที่ใจนี่แหละนะไม่ใช่เป็นใหญ่ที่เป็นอัตตานพานแต่เป็นใหญ่ในผู้ที่เป็นธรรมนะเป็นธรรมมาบานที่รักษาใจให้ไม่ทุกข์เมื่อมีมหาสติเป็นใหญ่ในใจนะใจก็ไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นตาเห็นรูปครัวงนี้ก็อ๋อสักแต่ว่าเห็น ไม่วันไหวไปกับอารมณ์ไปกับรูปที่เห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงไม่วันไหวไปกับเสียงจะเพาะหรือไม่เพาะคำสรรเสริญหรือคํานินทาจะมูกได้กลิ่นก็ไม่หวันไหวไปกับกลิ่นไม่ว่าจะหอมหรือจะเหม็นเช่นไรก็ไม่หวันไหวไปลิ้นรับรสอาหาร จะ แ, แพงขนาดไหนอร่อยหรือไม่อร่อยเช่นไรก็สักแต่ว่ารับรถเกินกินเข้าไปกายสัมผัสความน้อนความหนาวหรือมีอาการปวดเมื่อยอย่างไรก็สักแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราหรือบางขณะที่ใจบางค่าวมันก็ปกติบางค่าวมันก็ไม่ปกติไปกับอาการของ กิเตัณหาอะไรต่างๆก็เห็นแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันมันมีผู้เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายมีผู้เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตอะไรคือผู้เห็นก็คือจิตนั่นแหละจิตเข้าไปเห็นกายเห็นกายที่เคลื่อนไหวเห็นกายที่หยุดนิ่งเห็นกายที่เปลี่ยนแปลงเห็นกายที่เป็นทุกข์เห็นกายที่บังคับไม่ได้แล้วจิตเองก็ย้อนกลับมาเห็นจิตด้วยกันนะ จิตเมื่อกี้มันมีกิเลสมันมีตัณหาก็มีจิตที่รู้เข้าไปเห็นจิตที่มีกิเลสตัณหาจิตที่เป็นปกติวางเฉยอยู่ก็มีจิตที่รู้ว่าจิตตานี้มันวางเฉยเป็นปกติอยู่จิตมันเห็นทั้งกายมันเห็นทั้งจิตด้วยตัวของมันด้วยนะมันเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุอันนี้เนาะคือเรื่องที่ เราต้องฝึกหัดให้มากๆนะให้เป็นงานหลักเป็นงานด่วนเป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะจะอยู่ในพรรษาหรือว่าออกพรรษาอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไหนก็ถือว่าเป็นงานหลักของเราเพราะว่างานตัวนี้ถ้าเราไม่ทำแล้วนะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหลายคนเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปเฉย ไม่เข้าใจเรื่องของกายเรื่องของใจก็ตายไปบนเวียนอย่ในพบน้อยบ้างพบใจบ้างนะได้มา แ, แต่พบที่เป็นนรกภูมิสัตว์เดชนภูมิเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเวียนไหวตายเกิดนะเหมือนกับตัวดูการนะตดูฝนตัดูหนาวตัดูแรงเวียนไหวไปแบบนั้นทั้งวันทั้งคืนนะ เวียนไหวอยู่ที่ไหนก็เวียนไหวอยู่ในกองทุกเนี่แหละจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็มีทุกนะจะเกิดสบายขนาดไหนก็ยังทุกเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังมีทุกอยู่ทุกเพราะอะไรเพราะเพราะว่ามันยังไม่อิ่มยังไม่เต็มแต่การที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์นะก็มีสุขมีทุกแต่อัตภาพมนุษย์เป็นอัตภาพที่เรียกว่าเป็นอัตภาพที่เหมาะสดับที่จะเจริญสติได้มากเพราะว่าใด สุขก็มีทุกข์ก็มีเฉยๆก็มีและที่สำคัญมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกมนุษย์เรานะนานปีที่หนจะมีพระพุทธองค์มาตรัสรู้แล้วเมื่อเรามีโอกาสดีในการได้ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ธรรมะจากพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนก็บทสวดมนต์ที่เราสวดทุกเช้าทุกเย็นนี่แหละในพระไตรปิฎกในพระสูตรต่างๆนั่นแหละ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านจะปฏิญญพทานนานไปแล้วกี่ร้อยกี่พันปีแต่ธรรมะที่ท่านสอนก็ยังประกาศกล้องอยู่ตลอดเวลาความจริงที่เป็นธรรมะแท้มีพระพุทธเจ้าก็ดีไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีเขาก็มีอยู่แล้วตลอดเวลาธรรมะที่แท้มีอยู่ตลอดเวลาผู้รู้ ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ผลก็ยังมีอยู่ไม่ได้สูญหายไปที่ไหนถ้าเราเห็นถ้าเรามั่นใจแบบนี้มีแต่ว่าต้องพิสูจน์ดูว่าเราจะเป็นผู้รู้ตามพระพุทธองค์ได้หรือเปล่าเป็นพระสาวกนะเป็นสาวิกาตามพุทธองค์ตามพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าเอาตัวเองนาเป็นเครื่องพิสูจน์ดูว่าที่เรานับถือพุทธศาสนานับถือตามตามกันมาไหม เห็นเขานับถือก็เลยนับถือตามเห็นคนที่น่านับถือก็เลยน่านับถือตามเขาไปด้วยแต่เรานับถือเพราะเราเข้าใจจริงหรือเปล่าเห็นความจริงในชีวิตนี้ไหมว่ามันเป็นทุกอย่างไรเห็นไหมว่าความทุกข์มันเกิดจากความอยากอย่างไรเห็นไหมว่าความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่เห็นไหมวิธีการที่จะทำให้ทุกข์มันน้อยลงไปจนทั้งหมดไปก็ยังมีแล้วก็ทาได้จริง ถ้าเราเห็นตรงนี้เขาใหญ่ตรงนี้อ๋อมันจะเกิดความมั่นใจว่าเราก็สามารถทำได้ไม่ใช่คนอื่นพระพุทธเจ้าหรือใครทำได้เท่านั้นแต่เราทุกคนนี่ทำไดนะ้ทำได้ทุกคนถ้าเราทำได้แล้วคนอื่นเขาก็ทำได้เช่นเดียวกันนะแต่ทำได้แล้วก็ไม่ใช่ไปยึดว่าเราได้เราเก่งเรามีเราดีกว่าใครแต่ทำไปเพื่อความพ้นทุกข์ทำไปเพื่อความสงบทำไปเพื่อ มักผลนิพานไม่ได้ทําไปเพื่ออวดเพื่อเบ่งเพื่อเก่งกว่าใครแต่ทําไปเพราะว่าเห็นว่าชีวิตนี้มันทุกข์ก็เลยฝึกที่จะเรียนรู้ทุกข์แล้วก็ดับทุกข์นะเห็นว่าชีวิตคนอื่นชีวิตสัตว์อื่นก็ทุกข์ก็เลยฝึกเพื่อที่จะบอกจะสอนเป็นการนามิตรให้กับสัตว์อื่นคนอื่นอื่นให้เขาออกจากความทุกข์เช่นเดียวกันอันนั้นคือหน้าที่ของของพวกเราทุกคนเนาะ มาพึ่งวัดมาพึ่งาศาสนามาพึ่งพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ฝึกให้ได้จนกระทั่งตนเป็นที่พึ่งของตนให้ได้แล้วตนที่เป็นที่พึ่งของตนให้ได้นะก็ไปให้เป็นที่พึ่งกับคนอื่นให้ได้ต่อนะเนี่ยก็จะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาก็อยากจะฝากให้พวกเราได้ใน้ดลึกได้คิดแล้วก็ได้กระทําในสิ่งตรงนี้เนาะเพราะว่า ว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเกิดในเมืองที่เป็นเมืองพุทธมีมีวัดมีพระมีธรรมะที่ยังสืบทอดกันมาเนิ่นนานต่อกันมาหลายปีแล้วเราก็เป็นผู้ที่มีโอกาสดีที่ได้มาอยู่วัดด้วยได้มาปฏิบัติธรรมในรูปแบบด้วยก็เป็นโอกาสที่เรียกว่ามี ดีมากๆอย่าได้เสียโอกาสจะได้พลาดโอกาสตอนนี้ไปให้มันจะเดินสติภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อสติมันจะเดินมากขึ้นความไม่ทุกข์มันก็จะเดินมากขึ้นตามไปด้วยนะไม่ใช่ที่ไหนก็ที่ใจนี่แหละนะใจที่ไม่ทุกข์นี่แหละจะเป็นร่มโพล่มใสให้กับตัวของเราเองให้กับคนอื่นเองน่แหละ มากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เนาะ ก, ก็ขอฝากไว้ในเย็นนี้อะ่ะก็ขอเจริญในธรรมทุกคน